ทุกเย็นหลังจากสวดมนต์เราก็มีการกรวดน้ำนะกรวดน้ำตอนเย็นอันนี้เรกแบบภาษาชาวบ้านเพราะว่าไม่จาเป็นต้องมีน้ำให้กรวดก็ได้มันเป็นการอุทิศ ส, ส่วนบุญแล้วก็แผ่ส่วนกุศล น, นะให้กับสบรรพสัตว์ถ้าเราพิจารณานะ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 เดี๋ยนี้เห็นแกนตัวหรือตนีแม้กระทั่งหวงบุญนะไม่แผ่ให้ใครเลยไม่น่าเชื่อว่า ม, มีคนที่คิดแบบนี้แล้วก็เชื่อแบบนี้แล้วก็สอนแบบนี้ด้วยที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามีคนเคยมาถามว่าจริงหรือเปล่านะว่าถ้าเราแผ่วนบุญกุศลให้ใครแล้วนีุ่ทบุญกุศลของเราจะเหลือน้อยลงบุญกุศลนี่ไม่เหมือนเงินนะ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 ทั้งข้างบนข้างล่างไม่ใช่แค่เทวดามารพรพินนะแต่รวมไปถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ซึ่งก็คือเป็นตัวแทนของธรรมชาติแล้วก็สัตว์เล็กสัตว์น้อยนะก็อยู่ในความคิดคำหนึ่งของเราที่อยากจะให้เขาได้ประสบความสุขไม่ใช่เฉพาะคนที่เราลักนะคนที่เราเฉยเฉยหรือบางท่างคนที่เราเกลียด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 เป็นหน้าที่ของเราถ้าเราลักตัวเรารักตนแล้วก็ต้องรีบรักษาแผลในใจก็คือให้อภัยนะไม่มีเหตุผลอื่นนะไม่มีข้ออ้างอื่นแล้วนะอันนี้การแผลเมตตาให้กับอุทิศส่วนกุอยกับผู้จ้องแพา น, นี่นะจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะอันนั้นคือครึ่งแรกนะของ บทกลดน้ำตอนเย็นนะเป็นเรื่องของความรู้สึกสำนึกถึงจะเรียกว่าบุญคุณหรือความรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนะทั้งหมดที่สาธยายมาตั้งแต่เทวดามารพรมนะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พ่อแม่อุปชาอาจารย์ผู้เป็นการผู้จองพากูนี้เนี่ยเราแผ่ให้หมด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 เราถือว่าเป็นเพื่อนร่วมเป็นเพื่อนร่วมทุกร่วมมัตาสงสารเราได้บุญได้กุศลมาแล้วก็แพ้ ห, หมดเราไม่ได้คิดจะวิงวอนอ้ อ, อนอ้ อ, อ้ อ, อ น, ออนวอนร้องขอเทวดาเลยอันนี้เป็นวิสัยของชาวพุทธนะไม่ได้วิงวอนร้องขอเทวดามารพรมถึงแม้จะมีอิทธิฤทธิปฏิหารเพียงใดเราถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่ต่างก็เกื้อกูลกัน และโดยการทำอย่างนี้แหละที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถจะอยู่เหนือเทวดามาและพรหมได้จกนกระทั่งแม้กระทั่งพรหมก็ต้องมาเคารพนบนอบมนุษย์อย่างที่ได้มาเคารพนอบนอมพระพุทธเจ้าและพระอ า, ารามทั้งหลายไม่ได้ร้องขอไม่ได้วิงวอนแต่ว่ามีความามีพัฒนาการในคุณธรรมเราเคารพบด้วยคุณธรรมนะเราไม่ได้เคารพกันเพราะว่าเขามีอิทธิปฏิหารมากกว่า เขามีอำนาจเหนือกว่าเราไม่ใช่นี่เป็นวิสัยงชาพูดคือเคารพ ก, กันด้วยคุณธรรมเทวดาก็อาจจะมีคุณธรรมน้อยกว่ามนุษย์นะเทวดาจะมีคุณธรรมน้อยกว่ามนุษย์อนาถปิทิการเศรษฐีนี่เคยไล่เทวดาประจำบ้านออกไปเทวดานี่ไม่เชิงประจำบ้านเข้ามาอาศัยอยู่ที่ซุ้มประตูแล้วก็แนะนำให้อนาถบิทิการเนี่ยอย่าไปให้ทาน พระสงค์เพราะว่ายิ่งให้ทานยิ่งจนลงยิ่งให้ทานยิ่งจนเทวดานี่ก็ก็เลยไม่รู้จักไม่รู้ว่าประจบหรือว่ า, าหวังดีนะก็บอกว่าอย่าให้ทานเลยนะท่านยิ่งให้ทานทั้งยิ่งจนลงอนาถปิติการนี่ไล่เทวดาไปเลยนะเทวดาก็ยอมเพราะว่าอนาถปิติกาคุณธรรมสูงกว่าเป็นพระโสดาบัน เทวดาไปก็รู้สึกผิดนะมาขอโทษนะมาขอโทษอาตมาเป็นที่กลาเในในคติวิสัยของชาวพุทธเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเทวดาเนี่ยเหนือกว่าเราแต่ถ้ารับที่คติแบบฮินดูหรือพรามเนี่ยก็จะยกย่องเทวดามากนะถึงกับเคนะ า, ารพนบน้อมนะมีศาลเนี่ยศาลพระพรมศาลพระพิคันเนแต่ว่าชาวพุทธเราเราเคารพในฐานที่เป็นเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เกิแก่เจ็บตายจาคะคุณลบก็เต๋อไม่มีคุณธรรมเนือกว่านะคราวนี้นี่ที่บอกเวลาคือครึ่งหนึ่งนะของบทกลดน้ามตอนเย็นอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะจะเป็นเรื่องว่ า, าเป็นการคล้ายๆว่าเหมือนกับตั้งเจติธิษฐานอธิษฐ า, านในที่นี้ไม่ได้แปลว่าร้องขอหรือถึงเป็นการร้องขอก็ไม่ใช่ว่าขอให้ร่ารวยนะขอให้ประสบความสําเร็จ ขอให้มีโชคมีลาบเนี่ยไม่มีเลยนะที่เราอ่านที่เราสัตยายเนี่ยไม่มีตรงนี้เลยซึ่งอาจจะต่างจากเวลาเราไปทําบุญนะเราจะขอโน่นขอนี่ไอ้สิ่งที่เราขอเนี่ยมันไม่มีในในบทกลอนน้ำตอนเย็นไม่ได้ขอให้ร่ํารวยไมไ่ขอให้มีชื่อเสียงไม่ได้ขอให้ประสบความสําเร็จนะจะขออะไรนะขอให้ตัณหาอุปาทานนะเรา ตัดซึ่งตันหาอุปาทานนะสิ่งชั่วในดวงใจให้มาลายสิ้นจากสันดานคือขอให้ <c oughs> อกิเลสเหล่านี้เนะี่ยมันหายไปจากใจของเราเราพรันได้ซึ่งการตัดตัวตันหาอุปาทานสิ่งชั่วในดวงใจมล า, ายสิ้นจากสันดานทุกทุภพที่เราเกิดแล้วขอเลยอีกนะขอให้มีสติทั้งปัญญาประเสริฐพร้อมทั้งความเพียรเพลอนเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย จิตตรงก่อนต้มีจิตตรงและสติทั้งปัญญาประเสริฐพร้อมทั้งความเพียรเลิดเป็นเครื่องขูดกิเลสทายเพราะว่าชา ว, วกุเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าความมั่งมีความร่ํารวยมั่งมีร่ํารวยมีชื่อเสียงไม่ได้แปลว่าจะทําให้เป็นสุขมันไม่ได้เป็นหลักประกันอย่างความสุขเลยเพราะถ้าหากว่าร่ํารวยและมีความสุขเนี่ยคนยุคนี้ก็ต้องมีความสุขกับคนแอ ด, ดี คนในเมืองต้องมีความสุขมากกว่าคนในชนบทนะลูกก็ต้องมีความสุขมากกว่าพ่อนะเพราะาส่วนใหญ่ลูกเนี่ยรวยกว่าพ่อมีเงินมากกว่าพ่อหรือแม่นะแต่อย่างที่เรารู้นะก็ชนคนชนบทนเนี่ยจํานวนมากก็มีความสุขมากกว่าคนในเมืองนะคนในอดีตมีความสุขมากกว่าคนปัจจุบันรู้ได้ยังไงก็รู้จักเยนะอยาคลายเครียดยาระ ง, งับปวดยาระ ง, งับอา่ายาระ ง, งับ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 ไม่พอใจแล้วเพราก็คิดว่าเขาได้เ็าเสียเก้าสิบแม้ได้สิบนี่ก็ยังทุกข์นะเพราะว่ามองไม่เป็นไงพาะไม่มีพอมองแต่ลบหรือว่าไม่มีสตินะหรือมีความโลภเลาคนสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่แค่อยากรวยนะแต่ต้องการรวยกว่านะไม่ใช่อยากรวยนะแต่ต้องการรวยกว่าคือถึงแม้จะได้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 ท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนหลายชาติทีเดียวเป็นร้อยๆชาติมีชาติหนึ่งท่านเป็นฤอษีเป็นฤๅษีบำเพ็ญตบะนะจนกระทั่งทา้าวสักกะคือพระอินทร์เนี่ยศรัทธานับถือแล้ววันหนึ่งก็มามาเพื่ออะไรเพื่อประทานพรบอกกับฤอษีชื่อกัญหาว่าท้าวสักกะเนี่ยพร้อมจะ อยากจะประทานพรสีประการให้เราลองนึกนะถ้าเกิดเทวดามาหาเราเพราะว่าเรานี่ทาความดีเราทําความเพียรเทวดาบอกว่าจะให้พรสีประการนี่เราจะขออะไรเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยสีประการน้อยไปนะขอมากกว่านี้ได้ไหมนะการหาฤกษ์สีขออะไรนะขอว่า 1. ไม่โกรธ 2. ไม่มีโทสะ 3. ไม่โลภสีไม่มีสเนหา เทวดาให้ได้ไหมเทวดาให้ไม่ได้แต่ถ้าแต่พระแต่การหาลุษีนี่รู้เลยนะว่าได้อย่างอื่นเนี่ยนะยังไงก็ทุกแต่ถ้าไม่โกรธไม่มีโทสะไม่โลภไม่มีสเนสเน่หาเสน่หาคือความรักใคร่ผูกพันเพื่อผเปิดตนถา้ามีสีประการนี้ก็จะไม่มีทางทุกข์เลยแต่ว่าเทวดาให้ไม่ได้ เทวดาเท้าศักกา์นี้สามารถจะให้ทองให้เงินให้ความมั่งมีแต่ว่าคุณธรรมสีประการหรือคุณสมบัติสีประการนี้เท้าสักดิให้ไม่ได้การหาฤาษีก็รู้นะรู้ว่าให้ไม่ได้แต่ว่าก็ตอบไว้เช่นนั้นเพื่อให้รู้ว่าท่านไม่ได้ปรารถนาราบยศ ความมั่งมีความร่ํารวยอะไรเลยเพราะท่านรู้ว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นไม่ไม่ช่วยทําให้มีความสุขหรือพ้นจากความทุกข์ได้มีอีกชาตินึงนะท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เป็นฤาษีเหมือนกันเทศสักการก็ศรัทธานับถือก็มามาเยี่ยมแล้วก็ประทานพรสี่ประการเหมือนกันทีแรกท่านขออะไรท่านขอว่าหนึ่งนะขอให้อ่า ไม่ได้เจอไม่เจอคนชั่วนะสองไม่ได้สนทนาปราสายคนชั่วสามไม่ได้อยู่ร่วมกับคนชั่วนะแล้วก็สี่ไม่ยินดีในคนชั่วเพราะว่ารู้ว่าเนี่ยไอ้คนชั่วเนี่ยนะหรือคนพาลเนี่ยไม่มีทางทําให้ชีวิตประสบความเจริญได้ถ้าห่างไกลจากคนเหล่านี้ไม่เห็นไม่คุยไม่อยู่ร่วม ไม่สนทนาปรใสายไม่ได้ยินนะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้สนทนาปราสายไม่อยู่ร่วมเนี่ยชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญแต่เสด็จท่านคิดอีกทีท่านบอกว่างั้นขอสี่ข้อมากไปขอข้อเดียวพอขอว่าอะไรรู้มะขอว่าท่านอย่ามาหาเราเลยนะเพราะว่าถ้าท่านมาหาเราแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยหวังพึ่งพาท่าน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 สิ่งนั้นไม่ใช่สาระที่แท้ของชีวิตแต่ว่าคุณธรรมภายในเพราะว่านี่เป็นวิสัยของบัณฑิตรหรือผู้ฉลาดนะแต่เราสังเกตนะว่าให้สังเกตว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาทำบุญเวลาใส่บาทนะเวลาถวายสังกทา น, เนีเราตั้งจิตยอย่างไรนะเราขออะไรนะขอญาติไปหมดเลยนะ ยกเว้นสิ่งที่เป็นคุณธรรมภายในขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรามากมายลาบยศสุขสรรเสริญแต่ว่าไม่ได้สนใจสิ่งที่เป็นคุณธรรมภายในนะอันนี้ก็นับว่าน่าเสียดายนะเพราะว่าเรากำลังมองข้ามอนะุดองกติของชาวพุทธไป เพราะฉะนั้นเนี่ยการการสวดอวดกรวดน้ำทำบัดเย็นเนี่ยนะมันเราอย่าอย่าอย่าทำเป็นเพียงแค่พิธีหรือว่าทำไปตามความเคยชินพิจารณาดูว่าทำไมท่านถึงเขียนอย่างนั้นนะมันมีเหตุผลนะซึ่งอาจจะสวนทางกับความรู้สึกของคนทั่วๆไปนะ เช่นการที่อุทิศส่วนสุศให้เทวดามารพรอุทิศส่วนกุให้กับคนที่จ้องผ่านจ้องร้ายมุ่งร้ายทําลายล้างเราเราก็แผ่เมตตาให้เขาหรือว่าการที่เร า, าตั้งจิตที่จะให้คุณธรรมภายในเจริญงองงามให้กิเลสตัณหาลดน้อยลงไม่ได้ขออะไรอย่างอื่นมากไปกว่านั้นหรือถ้าจะขอให้ขอสั้นๆกนะ็ขอขออนิพานนะ คนสมัยก่อนเวลาใส่บาตรก็จะอธิษฐานหรือว่าตั้งจิตว่ากล่าวคำสั้นๆว่านิพพานัปัจยโยโหตุขอไปปัปจจัยไปสู่พระนิพพานแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรมากไม่ไม่มากไปกว่า น, นั้นแล้วก็ไม่น้อยไปกว่า น, นั้นนะขณะที่หลายคนนี่ขอยาวเลยนะบางทีาอาตมาไปบิณฑบาตนี่ ก็รอเขาอธิษฐานนะประมาณนาทีถึงสองนาทีได้ไม่จบสักทีขอหมดยกเเรื่องคุณธรรมภายในหรือว่าอุดมติสูงสุดของชาวพรคือพระนิพพานนะคนสมัยก่อนคนที่3านี่เขาก็มีวันที่เขารู้สึกว่านิพพานนับปฏเจยโหตุมันสั้นไปนะเขาก็เขียนแล้วก็ท่องเป็นกรอนนะข้าวของผู้ฆ่าผู้ฆ่าคือข้าพเจ้าขาเหมือนดอกบัว ยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระสงฆ์จิตใจจำนงบ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้คล้าวบวงมานขอให้ได้เกิดยุพัศีอ่านคือว่าทําไม่ได้นิพพานนะในชาตินี้ขอใได้เกิดยุพัศีอ่านไปเลยเพราะว่าพระศรีอ่านนี่คือพระเจ้าในอนาคตแล้วถ้าเกิดในสมัยเดียวกับพระองค์ก็มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงพระนิพพานได้คือท่านเอาแค่นี้เองนะไม่ได้คนสมัยก่อนเนี่ย เขารู้ท่านว่าเขารู้ว่ า, วานี่คือดวงวติสูงสุดที่สูงสุดของชาวพุทนไม่มีอะไรที่สําคัญไปกว่า น, นี้มีเงินมีทองมีความมั่งมีร่ํารวยก็ไม่ใช่ว่าหายทุกนะคนที่มหาตมาเมื่อวานเนี่ยทั้งสองรายทั้งเชา้าทั้งบ่ายนี่รวยนะรวยมากแต่ว่าเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าลูกตายคนหนึ่งตายเพราะอุบัติเหตุลูกสาวอีกคนหนึ่งตายเพราะถูกยิง สามียิงเงินทั้งหมดที่มีแก้แวนเพชรนินจินดาทั้งหมดที่มีช่วยไม่ได้เลยที่ทําให้หายทุกแต่ว่าถ้าเรามีคุณถ้าเรามีธรรมะนะมีสติมีปัญญาก็จะปลดเปลื้องความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราตั้งจิตของเราให้ดีแม้กระทั่งคำว่าอทิษฐานก็ต้องก็ต้องเข้าใจให้ดีนะว่ามันไม่ได้แปลว่าขอ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 เปียนความหมายให้มันเพี้ยนไปคําว่าทานเนี่ยแต่ก่อนแปลว่าให้เดี๋ยวนี้แปลว่ากินแล้วตรงข้ามเลยแต่ก่อนนี้ทานคือให้เอาออกไปเดี๋ยวนี้ทานแปลว่าเอาใส่ท้องทานข้าวทานหินทานปูนอะไรเงี้ยอธิษฐานกับมึงอธิษฐานเนี่ยความหมายคือตั้งใจมั่นที่จะทํำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งหมายถึงต้องเหนื่อยนะแต่ว่าอธิษฐานนี้แปลว่าขอไม่ต้องทําอะไรเลยนะขอขอเทวดา ขอรวยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรขอโดยขอรวยโดยที่ไม่เหนื่อยมันเพี้ยนไปหมดนะนี่เพราะว่าความเข้าใจที่ผิดพลาดค่าเครื่องของเราชาวพุทธให้เข้าใจให้ถูกต้องนะมันก็ทําให้เรามีทิศทางที่ดีงามก็ส่งส์สอิให้ชื่อของเราเจริญ ง, งอกงามเรื่ยอยๆคํานี้ก็เหมือนทอนี้เอักขระ